ผักดิบเคมมีอะไรบ้างนะครับผักดองผักดิบเค็มมาดูซิว่าผักดิบเค็มมีอะไรเพราะว่าข้างหน้าเราใช้เยอะแน่แล้วโลกมจะร้อนขึ้นไปใช้เยอะแน่ผักดิบเย็นก็มีหอมซับหรือว่าเป็นกระลงเอาไปโปกงนอ้อยแล้วหอมแซ่บไปปลูกไปกกทั่วประเทศไทยเลย <c oughs> เอาก้านไปคลูกก็เกินแล้วนะหอมแซ่บเนี่ยมีก้านแข็ง ไปเสีย่ยบก็เกิดละเกิดง่ายนะผักปุ้งตำลึงก้านกรงหวานบ้านหวานปาบวกฟักแป้แงแป้งต่างต่างเมะละกอนิคเมะละกอนามเนี่ย เาากกรื่องมะละกอเนี่ยมันจะมีคนบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นตกขาแล้วอยากกินส้นมากกตามะละกออยากกินมะละกอจะเป็นมากขึ้นระหว่ า, างกันนะความจริงมันไม่ใช่นะเป็นการบอกที่ผิดมีคนไข้ที่เป็นตกขาวอยู่นมากเลยมาที่นี่นะครับที่เขาจะตกขาวสิบปียี่สิบปีนะเป็นเรื่องรังแล้วเขาก็ไม่หาย ก็มาอนู่แค่มาอยู่แค่สองสาวันแล้วอากรก็ดีขึ้นหลายคนก็เริ่มบอกว่ามันน้อยลงตัวขาวน้อยลงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหายไปในเวลาไม่นานนะครับพอเดืนสามวันจะเริ่อเพิ่เราแล้วนะครับเพะนที่มากินส้มตำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมากองไม่เกี่ยวนะไปคันอาการตกขาวนั้นมันเกิดจากร่างกายร้อนมากๆแล้วรับายลที่จะไปทางมดลูกพอระบาลที่ร้อนไปทำมดลูกแล้วมันระคายร่างกายเลยส่งน้ําไปดับไฟพอส่งน้ําไปดับไฟมันเลยกลายเป็นตกขาว นั่นแหละวีธีแก้ก็คือถอนพิร้อนออกแนละ้วตกขาวก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นแก้โดยการถอนพิร้อนออกกนะันแต่ที่เขากินส้นตามตำมะละกอแล้วมันอ่แล้วมันเป็นตกขาวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้กินส้นตมตำ ก็กินตำพริกใส่มะละกอนิดหน่อยแล้วก็ผมชูรสเพียรแล้วก็เครื่องปรุงเด้ไปหมดเลยนะไอตัวนี้ทําให้เกิดตกขาวนั่นก็คือเครื่องปรุงทั้งหลายนั่นแหละตกพริกตกร้อนนะั่นแหละใส่พริกมากไปกรเทียมมากไปอะไรตั้งปลาปลาท่ามากไปอะไรพวกนี้ผมชูรสมากไปตกร้อนพวกนี้อาจจะทําให้เกิดตกขาวนะครับถ้าเราลดพวงนี้ลงมาเนะี่ย ปิดทิ้งได้เลยนะการตกขาวเปิดทิ้งได้เลยแล้วไม่ต้องไปเป็นอีกเราไม่ต้องใช้ปาจกิวไม่ต้องใช้เมโอนิอดโซนอะไรแล้ยาแปรติงตอะไรต่างๆก็ไม่ใช้ยาปดิชีวนาเลยนะยาเนี่ ย, ยากินนี่ไม่ต้องใช้เลยสบายมากนะ นี่เราก็กินมรดกส่วนนี้แหละกินไปเลยแล้วมะะรดกอีกนะต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไปวิจัยตอนนี้หลายประเทศนะไปวิจัยเพราะว่ามันมีสารต้านอะไรต้านภูมิแพ้ต่างๆนนะสร้างภูมิผันธุ์เยอะเลยตอนนี้เขาเริ่มมาไปใช้เป็นยาไปสกัดเป็นยารัญญาะะกษาโรคนะครับเนี่ยเ อ, มะะอยมะะามรดกอิบมรดกครับ แล้วตัวบำรับละก็เราก็อาจจะทั่วๆไปเราก็อาจจะไม่ได้ทำสูตรเข้ม อ, อย่างนี้ก็ได้นะว่อาจจะไปปรุงขึ้นไปหน่อยก็ได้นะเวลาไปกินที่บ้านเนี่ยก็อาจจะปรุงขึ้ไปบ้าน อ่าในปริมาณที่ในในีดที่เรารู้สึกสบายก็ได้ น, นะไม่ใช่ไหมเพราว่าจะต้องล้างที่เดียตลอดหม อ, อครับ ก, ก็ไปดูอะไรครับแตงกวาหร่าได้ยินมาว่ามีกรดยูริคจริงหรอเปล่อ๋อแตงกวาได้ยินว่ามีกรดยูริคจริงไหมนะความจริงแล้วแตงกวาเนี่ยมันเย็นมากกรดยูริคก็อาจจะมีจะอะไรแต่ว่ามันมีฤทธเย็น คนไข่โรคเกาโรคโรบาตอยโรคอะไรต่างกันเลยกินแตงกวาแลมันจะหายอย่าพูดกลับหัวกันเลยนะแต่กินให้มันเป็นฟัากัดีนะถ้ากินแล้วมันรู้สึกไม่สบายแปลว่ามันกระแทกเย็นให้คุณเอาแตงกวาไปผ่านไฟก่อนอย่ากินสดถ้ามันกระแทกเพราะว่าบางทีเนี่ยความเย็นของมันจะกระแทกของร้อนของโซเดียมลรด์ของอะไรต่างๆนะครับมันมันกระแทกมันจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นถ้าเรากินสดแล้วรู้สึกไม่สบายให้กินผ่านไฟ เราไม่แก้กัรได้คือเขาไม่รู้เนี่ยนี่แหละนี่แหละหมอแผนพิจิบาลจะไม่รู้พวกยอดผักเกินต่างๆเนี่ยหอเขาไปวิจัยนะยอดผักเจอไปเจอผักที่มันมีนิจอนอ่ะเอามาโขมไปวิจัยเอายอดกับหินไปวิจัยนี่นะเอาอะไรอ่ะเอาผักช่องไปวิจัยนี่นะแล้วบอกโอ้เจอยูริกเทียบลเลยเหมื่อกันนะก็เลยบอกว่ายอดผักทุกยามียูริกหมดเมื่อกิ้นี่คือความซวยของเมืองไทย นงานที่มีนักวิชาการแบบนี้เลยช่วยจริงๆเลยนะควาจริงไม่ใช่ไอ้พวกที่มียูรีคือยอดผักที่มีฤทธิ์ร้อนแต่ยอดผักที่มี ล, ลทธิ์เย็นนำมาต้านยูรี คนควจะกินคนก็เลยไม่ไกล้ากินยอดผักเพราะอั น, นี้แหละควาจริงไม่ใช่มันต้องแยกแต่พวกนักพิจาการมีเชื่อมากก็ได้เราตีขุมไปอยากดําเลยตีกลุ่มเลยหมดมันไม่ต้องเลือกดูนะครับเลือกดูมันจะตีกุมไปทั้งหมดไม่ได้รออ้อยตั ว, น, ว, ว น, นะครับแล้วหลอไม้เหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเคยพูดถึงออกมา อ้าวอันนี้คะะือมรกรดิบมรกรหารนะที่เราเคยไดนฟังสเสรยพันพรหรือพยาโยน ะ, ะเสลยพันพรโซเมียหารือพยาโยนะครับสายบัวหยวกกล้วย ก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยเนี่ยมาทําเป็นอาหารได้นะลอกเปลือกมันออกเนื้อในของมาันากินได้หมดเลยลอกก้านนี่แหละก้านกล้วยที่แกกออกมาเนี่ยลอกเปลือกออกแล้วเอามาสับๆทําลาบ ท, ทําน้ำพริกทําอะไรได้หมดนะครับเนะี่ยก้านกล้วยเป็นยาชั้นดีเลยครับเป็นอาหารชั้นดีด้วยเป็นยาชั้นดีด้วยกล้วยดิบนี่ก็ทําเป็นอาหารได้นะกล้วยดิบเนี่ยไปใสแ่แกงเลียนแกงหอมอะไรได้นะครับเนี่ยกล้วยดิบนี่ หัวปีเรารู้อยู่แล้วลลว่าทาอะไรกินนะยอดฟักข้าวยอดฟักแมวมาลูนนะก็เล่าสู่รังแล้วห<อ>้าปัดจริงว่านกามหอยว่านหางจระเข้ว่านมหาการว่านงอกนะทูนหรือว่าตูนหัว ง, งอกมะเขือเทศกามดอกบุกอรีวางตุ้งหักันขาว หัวใช้เท้าหรืออาการหัวกกหอาการ้องหรือผักสลัดนะครับยีรามีสึกเรียกว่าผลนล่างขุนสึกนะเย่นน้ำเขียวเย็นน้ำขาวนะครับสว่างนะเย็นนาำแดงมันร้อนจะไปเอาย็นา้แดงเย็นน้แดงเขามันแดงๆไปก็จะออกไปเจริญแด ง, แดงมันๆหนาๆนี่เยนา้แดงมันจะร้อนนะครับพยายามอย่าใช้ย็นา้แดงนะครับ แต่มันไม่ค่อยมีหรอกงานะยุ่งที่มันเขาไม่เอาพวกขายกันหรอกใช้ยนานที่เขาใส่แกงห ม, มามาันแหละยางที่ใช้ใ ส, แมมามาส่แกนหมาใส่แกงอบอะไรต่งนะางๆเนี่ยานปกตินี่ยนานขาวเขียวนี่นะ้หมอน้อยนะเรพูดไปแล้วหรอกหมอน้อยก็เอาไป็นตว้วบางหนะ้าเขาได้ทำไก่อะไรกิน ไปขยี้แล้วมันเป็นวุญกิจนไปเจอร่างจืดเงาป้าหมอสิ้นสีผักแว่นผักโขเพปมังกรโยผักทิวลดอกสลิดดอกกระจนมันเดือมะอึกนะครับดอกแคฟักทองอ่อนยอดฟักทองดอกฟักทองนะครับพวกนี้อีกนิดเย็นแต่ฟักทองแก่ร้อนนี่นะขดฟักทองอันเดียวกันอีกอันหนึงก็ไปดูเลยว่าอะไรร้อนอะไรเย็นพะทงแก่ที่เขาร้อน็เพราะว่าเขาเก็บทานอาหารเรือยมากรด่อยร้อนเวลา ย่อยก็ย<ะ>่อยออกมาแล้วใช้พลังงานมาก ผักโสมไทยอยอดมะม่วงหิมะ่ัน่านม่ไใบก้างปลาใบมะย ม, ยมพูดเลยก็พวกผัด่าต้มนี้นะให้ทานคู่เปรี้ยวนะครับฝา่าเนี่ยอย่าไปทานเดียวครับถ้าท า, ฝานฝ่าแล้วมาติดคอเนียเ่ยวิธีแก้ก็คือใส่เปรี้ยวเข้าไปหน่อยนึงนะครับให้กินคู่เปรี้ยวจริงคู่มะขามยิงคู่อะไรมะเขือเทศอะไรก็แล้วแตนะ่หาอะไรที่มันมีเปรี้ยวคนเข้าไปด้วยแล้วมันก็จะสมุล น, นะครับขวยเล้งตันโโขข้าวโพดสนุนดิบ อ่าใบมะขามใบส้มปล่อยส้มเสี้ยวส้มลงส้มกบนะครับพูดถึงไอ้เปรี้ยวทั้งหลายนี่นะพูดถึงเปรี้ยวทั้งหลายนี่ก็ถ้ากินเปรี้ยวแล้วเสียวฟันนะครับอย่ากินนะครับแปลว่าร่างกายเราไม่ต้องการนะัดเวลานั้นร่างกายไม่ต้องการเปรี้ยวอย่า ก, กินเปรี้ยวถ้ากินเปรี้ยวแล้วเสียวฟัน <ร fitted. S 1> แต่ถ้าเรากินเปรี้ยวแล้วมันสดชื่นสบายดีแปลว่าเวลานั้นร่างกายต้องการเปรี้ยวก็กินไปเลยค โดยเฉพาะระมาดระวังเรี้ยวให้มากตอนเทียออยทนนเเ่ยงวันส่วนใหญ่เที่ยงวันมีไฟกำลังเลิกกินเปรี้ยวเข้าไปแล้วมันจะทําให้ไฟกำังเลิกมากขึ้นโดยส่วนใหญ่อยากินเปรี้ยวมากเกินไปตอนเที่ยงวันนะครับเช้าเย็นก็ได้ในช่วงน้ําำลังเลิกกินเช้าเกินเย็นในช่วงน้ำกำลงเลิอก มันจะรู้สึก ส, สชื่นเป็นส่วนใหญ่ในบ้าขนาดเี้ยอะไรคุณกินเช้าได้ไกินเทีย่ยงเสียวฟันเลยอะไรเงี้ยจะใช้ไม่ได้ก็ให้รู้ตัวเองนะครับว่าถ้ากินแล้วมันสบายมันสดชื่นก็แปลว่าร่างกายกเราแข็งแร่งนะมันถูกกันแต่ถ้ากินเมื่อไหร่เสียวฟันให้หยุดกินนะครับคุณจะไปท่อนะไงไวิตามินซีนะเี้ยวมีวิตามินซีกินเยอะๆเออตายเปล่าๆนะ ไม่ต้อซีมากไปตายนะจะบอกให้คนไข้ตายมาเยอะแล้ว <c oughs> นะโดยเฉพาะไอ้เวลาที่เราไปซีไฮโดสิ่งไม่เรื่องซีมันร้อนมันเหมอะสลบเมืองหนาวด้วยเมืองหนาวกินจะอุ่นสบาย มากินบันร้อนมันมา ก, มากไปไ ม, ม่งหัวตายเลยนะที่ไหประเภทให้วิตามินซีเข้ารับเกลือเลยคนไข้มะเร็งเขนิยมให้ซูนแมกเอร์สั้น น, นิยมให้วิตามินซีไฮโดรซนิยมนะคนไข้ผมโอ้โหพอให้หรือุเนี่ยมะเร็งกำเริ่มทันทีเลยนะครับหรือไม่เลือกแตกทันทีเลยก็มีวันนี้มีคนมาเล่าสิ่ฟังเลยนะว่าญาติของเขาเนี่ยไปให้วิตามินซีนะเข้มข้นอ่ะไฮโดรซีเข้มข้ น, ข น, น <S <S ให้ผู๊บเนนะม่เรือ แตกทันทีเลยนะคนไข้ซีดลงทันทีเลยแย่ม yeah, ากเลยนะมันไม่ใช่นะส่วนแม่เกอร์ซ่นนะ่ะเขาใช้ที่เมืองหนาวแล้วก็ยุคห้าสิบปีถึงร้อยปีที่แล้วเย็นจะตายเยน็นขนาดนั้นนะ่ะไม่ใช้วิตามินช่วยนะไม่รอดเราไม่สมดุลไม่คุณนเขาเราใช้วิตามินช่วยยุคนี้ร้อนตัดแตกไปแล้วแนละ้วยังเป็นใสเพิ่อมอีกก็ตายกันพอดีไม่เหลือหรอกนะครับ เนี่ยต้อง้องรู้จักมั้ยครับโซนี้วิตามินซีมันให้ปริมาณมากไม่ได้หรอกแม้แต่วิตามินอื่นเหมือนกันให้เยอะในเขาหัวอย่างเดียวเลยร่างกายไม่ต้องการวิตามินที่มากหรอกยุคซูฮอนวิตามินซีที่มากมันจะกระตุ้นกระบวนการ m e t บ b o l i s กระบวนการเผาผาอาหารเพราะั้นอย่าไปอะไรเขาบอกว่าเปรี้ยมีวิตามินซีอะเปรี้ยงวิตามินซีอ่ะกินแล้วมันต้านมะเร็งต้านวัณต้านอะไรนะจะตายลมเเนี่ยไม่เขาข่า กินในปริมาณที่มีพลังชีวิตสูงสุดครับจะได้ประโยชน์สูงสุดอ่าสหรับวันนี้พวกพวกผมทุกที่ก็บอกไปแล้วนะผักไทยวัวโบกมะเขือพวงหรือพืชโรคพกผมทุกที่นี้เป็นรอนอักร้อนอะก็ดูว่าผมอะไรที่เรากินแล้วสบายก็แปลว่าถูกกับเราเรากินแล้วไม่สบายก็แปลว่าไม่ถูกกันหรือเช็คนะ้ำปัตวะ ก, ก็ได้ เรากินขมเข้าไปแล้วเยี่ยวมาขมแปลว่าร่างกายไม่เอาขับออกเช็คว่ามันเอาหรือไม่เอาหรือไม่อยากเช็คเยี่ยวตอนเช้าพอกินเข้าไปปุ๊บลดขมเนี่ยแปลว่ามันไม่เอาร่างกายไม่รับเลยไม่เก็บไม่ใช้แล้วกินเข้าไปอ้าวจืดดีอย่างเงี้ยแปลว่าร่างกายเก็บขมไม่ใช่คุ้มคกับขมเพราะงั้นเราสามารถที่จะดูพุ่งนี้ได้โอเคนะฮะนี่คืวิเจียนนะมาดูริบ้อนบ้างน่ะผักผลไม้ริร้อน ไปผัดติ้นร้อนก็ได้แก่พวกผักที่มีรสแผ็ทุชนิดนะครับซ้อนหมดเลยกระชายกระเพรายี่ราบโหระพาพริกแมง ล, ลักขุยช่หรือว่าผักแป้งนะครับต้นหอมหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมผักชีพริกไทยขิงขา่ากระมิ้นไทยใบยมะกรูดผักใช้เครื่องเทศทุกอย่างนะครับพวกนี้ร้อนหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องาาระวังมากที่สุดเลยคือ พริกไทยกับขาแก่นะมันจะร้อนมากระมัดระวังในผู้ป่วยนะนะครับ<ม>ผู้ป่วยมาเล็เผมหลายคนเจอพริกไทยเซมาเยอะแล้วนะ <c oughs> เจอหนักต่อนักกลเป็นไม่สงสัยแตมันร้อนนะพริก <c oughs> ไทยร้อนมากให้ระมัดระวังให้มากเดี๋ยวยุ่งขาแก่ระมัดระวังให้มากเดี๋ยวยุ่งขาแก่ แต่บางที่ขาแกนเนี่ยที่แม่ยุงย่งคือที่กินเป็นเนื้อมันนะเนื้อขานะอย่าไปกินเป็นเนื้อแต่บางครั้งเราจาใส่ต้มยำทำแกงเราจะใสบ้าง น, นะไม่เป็นไรแต่อย่าไปกินเนื้อมันเช่นทําเป็นน้าพริกอย่างเงี้ยนะโอ้โหผมเคยกินขามากๆเลยเป็นขนะามันเลยนะชาปากก็ถาวันเลยนร้อนจริงขาเนร้อนมากเลยนะจะจะไปกินมาก แต่เราใส่ข้าวไี้ปัญหาใส่ที่เราไม่ได้กินเนื้อมันอ่ะแต่แต่พริกไทยนี่ไม่ได้นะพริกไทยมั น, ออ น, นร้อนกับายแดดเลกเอาแต่ใบใบพริกไทยันร้อนที่สุดเลยนะนในบรรดาพริกในบรรดาไอร้อนทั้งหมด สิ่งที่ผมวไดนิไทยขณะผมแขงแรงขอ้ไแรงนะโดนโดนผิดไทยกำลังตกนะมันจับได้ว่ากาลังตก่ะแรงแงขึ้แรงนี่แหละเร็ววิ่งเร็วอะไรได้งานทำงานไย้แค่นั้เช้าิดไยปุ๊บอย่างนี้ก็ติดเบรกนะโอ้บอกขี้ก่อนนเนี่ยอกขี้กลยผู้สมรู้แต่ใมองชวมีอันเป็นไปไม่ยากใส่ใส่ผิไทยมาเลย โอ้ดนลมานโดนละมานพริกแดงอะไรจับประกันได้มันร้อนแต่พนได้พนโดนได้จะรู้ว่ากำลังมาตกํำลังมาตที่คนไข้จะเจอเยอะเลยโดนพริกไทยรวเซร์มีร้อนนะละมันลาไวท์พิกพิกไทยให้มากคราวนี้พืชบางอย่างนะที่มันไม่มีรสเผ็ดแต่มันมีริ์ร้อนนะมดูซิว่ามีอะไรบ้างะ มี่ทีร้อนคือมันมีแคลลรี่เยอะมีพลังงานเยอะนะครับมีคะนา้าแคอรอทกะลปีบีรูทไม่แมกโรเบตที่นิยมกินไงเรกินที่เมืองหนาวอะ่ะกินที่เมืองหนาวาก็อุ่นสบายเรามากินเมืองร้อนก็เขาหัวเราชาอมถัวักยาวั่วูเนี่ยร้อมนะครับคนโบราณนี่เขาห้ามคนไข้กินเลยนะ ห้ามคนที่เป็นไข้ห้ามคนคอดบทกินเลยนี่ช่อองค์โดฟองยาวโดผูเนี่ยพราะเขารู้ว่ากินดีไรเนี่ยค่าจะเหลี่ยมแล้วมันไม่สบายร้อนคน seaweed, believer, hay hay coal. รับคนบราณก็ะหลังกันนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้ผลมันว่าไม่สบายนะครับแต่ความจริงมันร้อนทำลังยางเลยนี่สตอ <versão> <iy> <saliva> ทุกคนคุณจะพิสูจน์ก็ได้นี่นะคนเป็นไข้เราลองเอาถั่วปักยาวไปให้กินดิเด็วไข้คือคือคนมัวหนักกระเดื่องดิคุณลอไป<ม>ไให้กินได้เลยนะไม่เชื่อผมเดี๋ยวลองน<ม>แล้วตัวไข่ตรงมันนะบากไข่บากมันนะไม่ลองไม่กินรอ้อน ต้อเป็นทนักวาศาสตเก็บกข้อแล้วเราจะหมดสงสัยนะอะไรเป็นอะไรนี่มันสนุกับเรื่องอาหารนี่สนุกสตอลูกเนียงกระเชิดลูกจำลึงนะครับพัดทองแก่เดี๋ยวมาพัดทองแก่ร้อนพัด้อนก่อนเดินโสมจีนสมเกาหลีแต่ตำปลึงสมจีนสมเกาหลีจะร้อนมากแต่ตำปลึงร้อนเล็กน้อยนะครับเ <c oughs> มืองกินก็เรื่องยมกิ น, กนกอน่ะกินเข้าก็อุ่นนะโสมจีนสมเกาหลีกินแล้วก็กอุ่นอุ่นแล้วก็สบายสบายแล้วก็เคลียร์เพราะมัน เ่ะเป็นยาดีแข็งแรงบองทยก็อาสมมากินเผาหัวตัวเองเองกาศเยือกีใบย่อผักโขมผักโขมคือผักที่ขึ้นตามแปลงกับผัโ ม, อโ ม, โมปอกอายกินนะแม่ใรดูกปกอมาเง ไ, ไเลยเพราะว่าอยู่บางหนาวซื้อผักโขมสิไอราเพมัอนสั่กัไปเนอะผสั ก, กัไปหลายทีแล้วน้ำักโขมเนี่ยเสีย มันร้อนนะขมดีร้อนไบ ป, ปอหักแยงยอดสวรสหน่อไม้เนี่ยครัขี้น่อไม้หน่อไม้นี่ร้อนนะเยปยุ่ง ม, มันมากเพราะนั้นเนี่ยคนโบราณเลยข้าพิษต้นเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้มันมียูริกมันมีไยารนด์ในหน่อไม้คนโบราณก็เลยเอาหญ้านามนข้าพิษเพราะนั้นถ้าจะกินแกงหน่อไม้ให้ปลอดให้ปลอดภัยเนี่ยเราก็าใส่หญ้ายยนาคน้ค นะหนอยลดปริมาณอ้ำมันลงนะแล้วก็ใส่ผัดทิชชู เ, เพิ่มเข้าไปเวลากแกงน้ำมัอย่างเช่นใส่บัวอย่างเงี้ยใส่พทอ่อนก็ผัองดาวผทองเลยพวกนี้นะเรใส่พวกนี้เข้าไปมันก็จะกละายเป็นแกงน้ำมัสุภาพเล้ก็ต้องปรุงให้มันเป็นมันเขายุบร้อนจะต้องปรุงอย่างไรแล้วก็ปรุงให้เป็นเนื้บัวไข่น้ำหรือัส้สาหรายทะเลสาหลาน้จืดนะครับคีร้อนสาหรเลยทะร้ายนะมี ลูกปิดผมคนหนึ่งเลยแล้วมาเข้าค่ายมาอุโดมนะคนไข้พอเมาเราเป็นมะร็งตังระยะสุดท้ายรักษาไปจนปีหนึ่งนะหายนะอาการไม่มีการอะไรเลยนะครับหายจากอาการทั้งหมดจุดเสียดแน่นปวดที่หายหมดเลยปีนี้คนที่แค่ประมาณสี่สิบปีเสร็จ แ, แล้วญาติก็ไปนี่แหละเอาสารายจไปรุนะ่หน้ามาให้กินเพราะว่าเขาโฆษณาว่าดีซัดก็ไปทีเดียวเท่านั้นเลยน ะ, นะ เจ้งเลยะเลี่ยงเลยอาการปวดท้องจุกเส้นกลับคืนมาพอมันเดินก ว, ว่าตายตรนี้พอมันเดินเดนกว่าตายคนนี้ร้อนมากร้อนมากถึงคลิปมากสมารัะวันดีๆนะครับพปกโฆษณาทั้งหลาย ไหลบัวรากบัวนะครับตัวนี้ก็ร้อนนะครับไหลบัวรากบัวนี่ร้อนคือไหลบัวรากบัวเนี่ยไหลรากมันก็คือรากแหละไหลคือต่อจากรากอีกทีนะครับอันนี้ร้อนแต่้ายบัวเย็นสายบัวเย็นแต่ไหลบัวรากบัวร้อนศึกษาให้ดีๆนะครับแทงพวยแดงนะครับอันนี้ก็ร้อนใบยอดและเมล็ดกับหินนะอันนี้ร้อนนะครับ นี่แหละใบยอดเม็ดกระถินี่แหละนะเวลาคนไข้กินาหวานความดันมอก็บอกลดแนอร์นนผัด <1> 1> ชาวบ้านก็ซัดผัดนน ก, กระถินี่นแหละนะความดันขึ้นเบาหวาขึ้นไปบอกมอสกินผัดต้เยอะเม็ดลงเลยกระถินเนรู้กี่กร่งเหนเนเบมอก็ไม่รู้เลืรู้น้วอะไไม่รู้รรๆๆกินยาต่อไปมอสเยๆๆเขาไม่รู้เรื่องอะไม่บอกแร่นี้ผัดคนไข้อ่ะต้องไปกินมั่วไปไไม่รู้อะไรอ่ะ หมอก็ไม่รู้เหมือนกั น, นช่วยแล้วกันหมอก็เป็นเบาหวานเหมือนกันก็เลยป่วยก่อนข้อก็ป่วยนะถ้าจะพูดเลยหมอก็เป็นเบาหวานเหมือนกันนะมีหมอคนหนึ่งนะมีหมอคนหนึ่งเนี่ยคือมีคนแค่คนหนึงไปรักษาโรคผิวหนังกับหมอผู้เชี่ยวชาญไปรักษาแ เลิกใส่ก็ไม่หายเลิกใส่ก็ไม่หายเลิกก็ไม่หายลายปีก็ไม่หายนะก็เลยไปถามหมอหมอไม่เห็นจะหายจีทำไมม่หายีนะหมอตอบยังไูกทัหมอคนนดเขา็ะดึงไงถุงมือไปน่ะมอเป็นผมเป็นขาโอมหายหมอจะตอบยังไงล่ะหมอจะดึงถุงมือก็ผมเป็นคคุนันแล้ดว ก็ไม MM. ่ต้องถามอะไรมากเลยคนขับรถเก่งคนขับเกียใช่ผมรักษาผิดคนแล้วอะไรกันก็มองว่าเกีย์ชานี่ยเป็นสุดทนาย คือแค่ก็ลังทานนะไม่หายสุดที่ผมกำลังานหมอทหมอหมอล้วนถมือกันก็เป็นือนงไม่หายเลยโอ้ยสาธนิ่งเลย คำตอบผิดใมครับ่พอมือตอบผิ่เจ้ผมั้นโอเเน่พื่อเพื่อที่มีกินฉุนนี่นะเพื่อที่มีกินฉุนทุกชนมันร้อนหมดนะ ไม่กิ น, นทุกอย่างเลยมันจะร้อนหมดอะไรฉุนๆฉ้นมากก็ร้อนมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เราจะได้เลือกดูดดนะอา่ะมาดูกลุ่มผลไม้บ้างนะ ผลไม้ลิเกนน่ะมี่ี่มีอะไรบ้างผลไม้ลิเกนก็มีมังคุดมายมแตงโมแตงไทยแอนตาลุสสับปะรดสมโอสมเช่นสมตาสมเปลี่ยนกล้วยน้ําว้าแก้วมังคุดกล้อยหักมุกแก้วมังกรกระท้อนลูกหยีเชอร์รี่พุทราสมอไทยชมพู่มากิดมาดันมละกรดิบเมือหางน่ะสมมรกรดสุกเะิร์เล็กน้อยนะ่ะ เนี่ยหลายคนเนี่ยร่างาโลกเป็นเชียกินมรกอสุกแต่เรามาระวังมรกรสุกมันร้อนกินมากก็าจะร้อนอนะแต่กินปรมาณนิดเดียได้หน้าหนาวอะไรเงี้ยหรือไม่น่าหรือเราต้องกินไม่มากถึงจะพอเป็นปลอฟภัยแต่เราไปกินเยอะเลร้อนขึ้นมรกรสุกมะม่วงดิบมาถามดิบหมากเมาะมากผีปวนรับเนี่ยอะไีปวนก็ไดวสัน้ามะนาว น้ำมะพร้าวงาลูกท้อแอปเปิ้ลสาลี่ลางสาสตอเบอร์รีครับกินขาวนะครับตรงนี้ก็มีนิดเย็นที่เขียนแอปเปิ้ลสาลี่นี่ก็จะเป็นเชียร์กินมากนะนันผลไม้ต่างประเทศนะก็ถ้าเป็นผลไม้ต่างประเทศเนี่ยนพยายามกินเวลาจําเป็นอ่ะเพราะว่าผลไม้ที่มีพลังชีวิตสูงสุดคือผลไม้ในพื้นที่นะครับผักผลไม้ที่มีพลังชีวิตสูงสุดคือผักผลไม้ในพื้นที่ ไม่ใช่ของต่างประเทศพลังชีวิตมันน้อยนะครับมันสับตัวเข้ากับบรรยากาศหนาวพยายามกินไอตัวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับจะมีพลังชีวิตสูงสุดนะโอเคคนระถ้าผลไม้พวกที่มีสแม้มีนิดเดียวอย่างนี้นะครับเราม้อระวังสองสามเรื่องหนึ่งถ้ามันมีคิปกระเพรที่มันน้อยอแนะช่น้ําสาวข้าวแช่ฐา น, น้อยนะอันที่สองถ้ามันหวานมากเกินไปก็จะไปกินมากเกินไปนะ อ่ถ้ามันหวานก็กินแค่พอรู้สึกสบายกินมากไฟน้ำตา ก, ก็จะเกินนะอันที่สามเนี่ย ม, มันจะมีบางอย่างแม้เขี ย, ยนว่าเ ย, ย็นแต่มันไม่ถูกกับเราคือกินแล้วมันระคายคอคือมันไม่สบายแต่ว่ามันไม่ถูกกับเรานะเราก็เว้นตอนนั้นซะน ะ, ะคนจะดูพวกนี้ด้วยครับอ่ามาดูตุ่มผลไม้ริซอสมีอะไรบ้างผลไม้ริซอส น, นะคือพลไม้ที่ิเราให้พลังงานมากหรือ ไปกระตุ้นกระบวนการเาผาผลาอาหารนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนขึ้นฝรั่งนะครับมาร์กซิดาร้อนเดอร์ซิดานนะฝรั่งเนี่ยหลายคนไม่รู้นะว่าฝรั่งมันร้อนวิตาป็นซีเยอะมากในฝรั่งนะครับแลววิตามินซีนั้นกระตุ้นกระบวนการเาผาผลาอาหารนะ จะทให้เกิดร้อนขึ้นคนโบราณจะห้ามคนไข้ที่ไข้ขึ้นสูงกินข้าวหลังห้ามกินเลยนะครับก็จะห้ามกินเพราะเขาเพราะว่ากินข้าวหลังล้วไข้มันจะขึ้นสูงนะงั้นก็เขาระวังนี่แม่ผมนี่ไม่เชื่อว่าข้าวหลังมันร้อนนะตอนนี่ไม่สบายเลยหนักแล้วเป็นไข้แน่ทัดใสแล้วเป็นที่เลยนะนกินเข้าไปปุ๊บมันร้อนรุดรานเลยนะแม่เขาต้องไปบอกเชิ่แล้วเชื่อแล้ ว, ลวร้อนจริง <c oughs> <c oughs> ร้อนจริง หรือเวลาคนเป็นสั้นสีเอกเสมอ่ะเขาจะสร้าประวัติไม่พระว่าชิมขหลังเข้าไปเขาก็จะไปโทษว่าเป็นเมล็ดขหลังเราจริงไม่ใช่ไม่ใช่เมล็ดถลางเราทั้งเม็ดทั้งเนื้อแลรอนมู่แล้วไม่ใช่เม็ดตกลงไปในสั้นสีเพื่นนะเวลามันย่อยคูกมันจะเป็นพลังงานความรทันทีเลยแล้วมันจะไอสั้งีเนี่ย่มาจกเสมจิงจริงมันก้าจเซอยู่แล้วมันก็เลยเมากอยู่แล้ว ปวดบวมแดงร้อนอ่ะพอมันเผาเป็นความร้อนต้นซึ้นมันก็ไปเพิ่มความร้อนเข้าไปสท่ติ้งด้วยอันเสร็จรับความจริงมันเป็นไฟอย่างสุดท้ายที่ใส่เข้าไปนะมันจะเป็นจะเป็นว่ามันตกไปใส่แท่ติงไม่ใช่มันเป็นความร้อนจริงๆนะครับแต่ล้วไอ้คนบางคนก็ไปตัดแท่ติ้งของนะพอนั่นนะความจริงถ้ามันเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยคนะหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่เฉียบพันุ์ไม่ใช่มันเป็นแท่ติ้งกระจายนะพอติดร้อนแล้วมันจะหายแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพันก็ไป่ากัน แต่เราใช่จริงนะครับถ้าไม่จำเป็นจะไปผ่ามา ไม่จะเป็นเรื่องว้มันอักเสพมากนี่แหละนะหมอเ็บอกว่ามันคุณลผ่าแล้วตาไปเชอนะแต่ว่าถ้าเ้าผ่าอย่างอื่นนะ่ามดลูกผ่าอะไรแล้วแถมเส้ติ่งนะอย่าให้เขาแถลนะนยายคุยว่าไม่ต้องแถลนะไม่ต้องแถลตัดเส้ติ่งให้อะไม่ต้องแถมเพราะเ้ติ่งมันเป็นจุดระบายพิษจากตับนะแล้วตอนนี้ในต่างประเทศเขาค้นพบแล้วนะเพราะเ้ติ่งนั้นผลเมือดไม่เลือดขาวช่วยช่วยสร้างเมือดขาวสร้างคทานใครก็ตัดออกภูมิคุ้านก็ลดลงนะครับแล้วมันจะระบายพิษจากเส้งลงสนลมปาณของตับ คุณตัดส้จิง ต, จงตัดคุณจะเสื่อมจะไปเปลี่ยนตัดนี่ยนเดนี้เขาฟ้องกันใหญ่แล้วนะที่ตัดมารื่อยใครไปแมให้เขาหมอคนไหนไปแมให้ <c oughs> ตัดมาลกแมเส่จริงให้ <c oughs> <c oughs> เละเลยสูกฟ้องแหลกเลยโอเคครับฝลังนะมันจะร้อนถนนสุขหนลิ้นจี่เนาะลำไย ลองกินลอาใหญ่มากๆเลยเป็นไงปากเปืยปากคองร้อนหมดทุเรียนเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะกินยังไม่ได้หลับไม่ได้น้อย <c oughs> แช่โงมอยู่ร <c oughs> ้อนมากใช่ไหมทุเรียนน้อยหนาตละล่า อ้งูนส้มเขียวหวานเนี่ยคนไม่รู้ว่าส้มเขียวหวานเนียร้อนเวลาไม่สบายมาเป็นไงเอาอะไรไปปักเอาส้มเขียวหวานไปฝากจะให้หายหรือจะให้ตายไปฆ่ากันนะจะเอาส้มเขียวหวานไปฆ่ากันนะเดีตายเร็วขึ้นตายเร็วขึ้นหรือไม่ก็หายช้าอาการมันจะหนักเราจะหายช้านะครับได้ดีนะส้มเขียวหวานมันร้อนให้เมืองหนาวกินไปฝรั่งก็ให้มองหนาวกินไปนะเวลาเขาอาการม NO. ันเย็นเละเขาจะอุ่นสบายไง พเพราะอาหารเขียวหวานเนี่ยนะมันที่ยุโรปเขาเป็นเมืองหนาวไงเขากินแล้วเขาก็อุ่นสบายดีเอ็นซีนเยอะเขาก็ว่ามันดีเราก็ลอกมากินแล้วไม่ดูตาบ้าตาเรือสงสัยลอกกันบ้านไมเได้เด็ด <c oughs> <c oughs> ติดลอกกันบ้านจะเป็นลอกคร้งคราวที่เป็นลอกก็เลยทำ <c oughs> เลยก็ลอกห <c oughs> <c oughs> ลอกหมดก็เลยแย่เอาด <c oughs> ้วยไข่งานนี้ก็ร้อนครับ พอวกนี้เย็นไปฝากกันมากนเนี่ยเอาแต่ไอ้พวกร้อนไปฝากพวกนเย็นเนีย่ยอาการมันะอะไรมังคดมังนะอะไรส้งโอบ้างนะเกวอน้วาบ้างอะไรเ น, นี่ยชโพกนี้ะพอพวิเย็นซีไปฝากกันแต่พกร้อนไปฝากกันก็จะไม่ไหวเอาทุกมีคนป่วยด้วยเพราะว่าร้อนมากนะครับมาตูมละมุดล้วยสิ่งลูกลำดวัวลูกยันง่วงลูกยันเขียวลูกยังเหลือง ลองกลองขัโโรโบไฮเดตหรือว่าสังวรถนะครับร้อนนะสางวรถเนโอต่างประเทศแมพลไม้แช่นสะูตรพลไม้ยอดนะะย อ, ไอนะไรอย่างเปีนยีนเยอไปซาคาร์บีนเยอะนะร้อนจ่ตายานตะ้อ ก, กินเขาก็โหโหกินกันตลอดเวลาเลยนะไฟไม่หัวใจเลยสังวรถเนี่ยเขาจะออกใต้ผนต้นหนาว เราจะออกมาสู้ความหนาวให้คน ก, กินนิดหน่อยเ็ื่อสู้ความหนาวดูสังเกตสิมันจะสุกตอ น, ตต น, อ น, น, อนอปนายฝนต้นหนาวของท้องร้อนไม่งนอ่ากินทรให้เต็มนะปลายนต้นหนาวก็กินบ้างห้มันอุ่นเจะไปกินเนื้อกเสิร์นไตนานร้อนไม่ต้องไปซัดท้ร้อหรอกงานปากเปยปากพองพอมันขึ้นเาหวานขึ้นตัวไครตัวมันร้อนมากแล้วท้องร้อนเนี่ไม่ใช่ธรรมดามาเฟืองมาปลาสมอพิเศกมาไปมาเงาทับจินแดงมาโม่งสุกชูกยอกกระเจี๊ยบแดง นี่ล้นี่แหล้ลูกยอเนี่นะเขาก็ญี่ปุ่นมาซื้อเป็นหมักลูกยอมันร้อนไงญี่ปุ่นไปซื้อมะมัดเป็นน้านโนนี่สมมาขายทนไทยเป็นพันเลยนะขวดละเป็นพันเลยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเมืองหนาวอ่ะเขาชซื้อเป็นหมักเพื่อกินนิดหน่อยมันร้อนกินนิดหน่อยมันก็อุ่นนะเสร็จแล้วแต่เขาก็ว่ามันดีว่ามันดีพูกคนไทยก็ซื้อขวดเป็นพันมากินหรือมาหมักกินเอาไปไม่หัว่าตายเลยตอนนี้มันร้อนนะลูกยอเด็ร้อนเด็กมันกินเยอะเกิน สัะเทียมแดงระกมนะครับระกำเนี่ยร้อนเล็กน้อยระกำร้อนเล็กน้อยมะขามหวานสุกก็ร้อนเล็กน้อยอันนี้เลือกดูให้ดีอ้าวมาดูอาหารที่มีวทิ์ร้อนมาก นะถ้ากินมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนะพยายามเว้นอาหารเหล่านี้นะในล็อคท้ายนะที่จะพูดคุยกันคืออาหารที่ร้อนมากโดนะยเฉพาะอาผิดเยอะเนะืนอาหารทีูุ่่มอสจัดทุกอย่างนะเค็มจัดมันจัดหวานจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดปากจัดขมจัดนะจัดทุกอย่างร้อนหมดนะต้องพยายามพยายามหลีกเลี่ยงลดละไปนะเท่าที่จะทําได้ อาหารกลุ <Alright. S 2> ่มไขมันลำข้าวเจ้าหมูข้าวลูกกองาเนื้อมะพร้าวกระทิเมล็ดทานตะวันเมล็ดแอนโมนเมล็ดฟันทองเมล็ดต้นหอมหมอผัดนสำมัเพื่อน้ำมันสัตว์นะครับร้อนหมดตรงนี้กินให้น้อยนะครับเมืองร้อยไม่ต้องการมากเนื้อลงไขในปริมาณอในเนื้อลงไขที่มีไขมันมากนะครับรวมถึงที่มีสารเล้ง สารเคมีมากอันนี้จะร้อนครับผลไม้คือผักผลไม้ที่มีสารเคมีมากจะ้อนอาหารที่ปรุงผ่านความร้อนน้นานคือโอ้โหตั้งไฟน้ำนานเลยนะผ่านความร้อนหลายครั้อุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกซ้ำแล้ํา้ำอีกใช้ไฟแรงนะครับอันนี้ก็ร้อนหรือใช้เครึ่องความร้อนแรงนะอันนี้ความร้อนจะเข้าไปฝังนาำนาำมันจะร้อนแรงอาหารใส่สารสารคละแต่สารเคมีนะครับคงจะร้อนมากอาหารใส่ผม ชุรสอาหี้จะร้อนมากนะครับผมชูรสผมชุรสนี่เป็นอาหารที่ร้ายมากนะเป็นเป็นพร้อมร้อนที่ร้ายมากตรงที่ว่าเท่าร้อนสดเกลือนี่เป็นร้อยเท่าไงร้อนสดเกลือนี่เป็นร้อยเท่าและเป็นโซเดียมที่ร้อนสดเกลือเป็นร้อยเท่าครับโมโนโซเดียมซูตามีนเป็นอะไรที่ร้อนมากเกลือนี่มันโซเดียมฟอไรผมชูรสนี่โมโนโซเดียมซูตามีนมันร้อนมาก อยกรู้ว่าผมุิดวกาประเทศนี้เขาผลิตเขาห้ามขายนะครับไม่ขายติดกฎหมายถ้าอยากรู้ว่าผมคจดว่ามีพิษในคุณน้นหยดใส่มือคุณหยิบมาหยิบมือหนึ่งแล้วคุณน้ําหยดใส่ไปหยดหนึ่งแล้วทุกกัดไหมซีปฏีมันแปลงลอกเลยมันจะลอกเลยนะครับมันจะกัดกินก็ไปมันจะกัดตัดไตทั้งพุงเราหมดแหละมันลอกมันกัดจริงๆนะไม่ใช่เร่เล่นๆนะผมคิดว่ามันร้ายมาก ไมากเลยถ้าหารไปลกเลือดไหลไม่หยุดก็จะเทผมที่รถใส่เลือดมันจะแข็งตัวลแล้วก็หยุดภายในไ ม, ไม่ไม่นานนะครับเาใช้ในการเวลาแก่เลือดออกไม่อยู่ที่เราไปลบนะครับเพราะว่าความร้อนมันเผาให้น้ำแห้ง อั <Mr. qualitative> นน well? ั้นคกินเข้าไปนะมันจะเผาน้ําในร่างกายมันคุณแห้งๆแล้วมันจะเกาะเลือดจะเป็นเลือิ่มเลือดแล้วก็อุดตันตาที่ต่างๆของร่างกายครับเลือดจะเหนื่อแล้วก็อุดตันตาที่ต่างๆของร่างกายครับผมชูรสหิวลายนะต้องเผาคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขฟันตรงเตยงแล้วนะว่าผมชูวสเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความดันโลหิตขึ้นนะครับและทุกความดันโลหิตที่ขึ้นหนึ่งมลเมตรคือความเสื่อมของสมองระบบประสาทหลอดเลือดนั่นหมายความว่าทุกหยดของผมชูรสคือความเสื่อมของสมองระ โปรตีนและหลอดเลือดคุณนะครับแล้วทางมาหาลัยจุลานะครับเอาไปทดลองให้หนูกินนะหนูกินกินกินผมจุลินทรเข้าไปมากๆหนูออกลูกมาไม่มีกระโหลกนะมันทํำลายกระดูกและสมองอย่างไรนะครับมันทําลายกระดูกและสมองอย่างไรนะผมจุลินทรีย์ลายมากนั้นเราไม่จะเป็นเราไม่ควรจะกินหรอกนะครับมันมันเผาทําลายทุกเซลล์ในร่างกายเลยนะเลอกได้ดีที่สุดนะครับเลิกได้ดี ผมนี่เป็นบรรยายที่โรงมยาบจุลแพทยนะครั้งหนึ่งเนี่ยโงพาบาลจุลแพทยเดินทางบรรยายนเขาเดินทางเป็นบรรยายแวะซื้อเนี่ยข้านทา ง, ทางซึ่งน้ำน้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยแบบนี้นราเพิ่งห่อไปเมื่อกีน้ำจิ้เ ม, บบมเขา จ, จะมีผมเยอะมากเลยกินเรี่ยยเลยนะีขาบอกว่าทุกคนขาบวมไปในไปในสองชั่วโมงที่กินเขาวันนะ้าบวมไปในสองชั่วโมงเบวมเร็วมากนะครับเราต้องหอนพิษกันวันหนึ่งสองวันนะเพื่อจะหายบวมมันะ น, นายมาย แต่ทุกแต่คนทั่วไปเขากินเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าไม่ค่อยรู้ว่ามันบวมนะเพราะเขากินของเยอะทุกวันแล้วมันบวมจะไม่รู้จะบวมไงแล้วบวมเป็นรองกันติดแล้วความจริงเขาบวมอยู่แล้วแต่ว่าของเราไม่บวมไงพอกินปุ๊บบวมขึ้นมาก็เห็นเป็นภาพทีนบวมขึ้นมานะครับแต่คนอื่นเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องมีแพทย์คนหนึ่งนะที่ที่ีเนี่ยผู้ในการโรงพยาบาลมหาทยาชนนชัยท่านก็พาคนไข้มาที่นี่บ่อยพามาอบรมเรื่อยนะครับ เอาคนไข่มาเม็งมาหวานความดั น, นมาที่เราหกสิบคนแปสิบคนมารวมกับเราครับท่านก็ล่าให้ฟังว่าท่าเองถ้ากินผงชูรสเข้าไปมันจะปวดตึงแข็งรวมไปตามร่างกายปวดงแข็งหมดเลย mm hmm. ต้องกินยาขับปัสสวะออกอ่ะคือยาทุเราอ่ะที่อยทมันร้ายนะผงชูเนี่ยมันร้ายในการบอกคุณครับลองคิด น, นะถ้าคุณอยากรู้ว่าผงชู มันมีพิษสารอย่างเกลือมากกันเท่าไหร่นะเอาไว้ชัดเลยง่ายมากกันนะเอาเกลือมาหนึ่งขันชาแล้วอมไว้ห้นาทีแล้วก็กินเอาผมเกลือมาหนึ่งขันชาอไมไว้ห้านาที มันไม่ค่อยจะถึงเท่าไหร่มันจะเป็นยังไงรู้ไหมมันจะเหรือืดเปราะโอ้มันจะอ้วกฟอมมันจะเป็นจะตายมันจะเลี่ยนมากเลยแล้วมันก็จะชาชาลิ่มไปหมดเลยมันจะชาไปหมดเลยจะบอกให้มันร้ายมันคื่อมันร้ายมันจะชาไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกผมชุนรสได้ดีที่สุดเลยนะเลือกไม่ได้ก็เลิอ่านเลิกอ่าผมนะผมชุนรสที่ดีที่สุดคือความหิว กับวันผมรู้สึกที่ดีที่สุดคอวมหิวคิวกินแค่กระเซาะมันมเป็นยังไงควกิน <c> แ <ười> ค่กระเซะกินก็อร่อยเวลามิวนอวนะพรามทผมสดีที่สุดคอวามหิวถ้าไม่ยิว อ, อยากิน ไม่ห้วยากินนะนั่แหละวมืไก็งกินนั่แหละมัจะอร่อยเองหรืออยากอยากกินข้าวอร่อยนะไม่ยากแบบนี้่าฝกินข้าววละสอมื้อหรือกกิข้าววลหนึ่งมื้อนันโอ้ยรองนะกินมื้อไหนก็อร่อยแตเราฝกินมันหนึ่งมื้อมนพวกผมนี่นะโอคนพวกผมก็างคกคนลมื้อกันโอ้วันไหกคนละมื้อกินข้าวแซ่บๆอร่อยนะไม่มีมันแม่อร่อยหรอกกินมื่อนังก็อรย ผมชูรสดดีที่ดในควมหิวจะไปพูดวายกับผมชรสมากเป็นที่จริงๆทานรสได้กรสนะครับแล้วผมชูรดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในรูปผมชูรดนะมันอยู่ในขนออยู่ในสุกไก่อะไรก็ไม่รู้้นะุกไก่ซุปหมูซุอะไรที่เขาว่าซุกซ อ, อ่ะไเกลือที่ชูรสทั้งหลายนั่นแหละอยู่ในนั้นหมดเลยครับหรืออยู่ใน ปลากระป๋องอยู่ในอาหารกระป๋อ ง, องต่างๆปลากระป๋องหมูหมูยอกุนเชียงอะไรพวกนี้ก็มีของลธีสรีมเยอะนะครับหมูยอกุเชีย ง, งตัาขนมอมงองขนม อ, นอ่บาบะหมี่เขาเ ป, ปลูกอะไรพวกนี้นะันแฝงในหลายอันนะอะไรฟาดไทยอะไรต่างๆด้วยเนียผมนัวทั้งหลายเลยนะผงอร่อยผมอร่อยอร่อยุดไอร่อยพวกเนี้ยครับผมจ ะ, ะจัแฝงอยู่พวกนี้เยครับ สมุนไพรหรือยาที่กระตุ้กนการไหลเวียนของเลือดหรือรบำรุงเลือดครับตรงนี้มันจะร้อนถ้าในสมัยก่อนเนี่ยจะจะถูกกันในยุคเย็นยุคนี้เนี่ยยาบำรุงเลือดเนี่ออยไหลเวียนใมากไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือในปัจจุบันนะครับมันจะทําให้ร้อนพอร้อนปุ๊บเซลล์เสือเส่อมหมดนะครับ เน่หญิงตั้งครรมีหมอแหมทุกวันก็ยังไม่รู้เรื่องที่เกิดเรื่องเกิดราบมากมายเด็กออกมาไม่แข็งแรงแบบนู่นแบบนี้ทุกวันเนี่ยเพราะอันนี้แหละตั้งครรภ์พูดไาอัดแล้วนะโฟลัสซัมเฟตินเข้าไปกินเข้าไปก็รัเลือดมันก็จะตายกินเข้าไปเด็กออกมาเลยอ่อนแอเป็นนู่นเป็นนี่เรื่อยไปหมดเลยพลังชีวิตเดือดสัมพันธ์เนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขากินเก๊งตั้งแต่เกิดเลยหลายคนจะถามว่าเด็กินเก๊งจะเป็นไรไหมนะกินมาตั้งแต่ท้องแม่ คนเราน้อแม่เด็กเนี่ยมากินอาหารสูตรนี้นะครับในขณะที่ท้องเนี่ยเขาก็กินอาหารสูตรนี้ไปเพราะว่าเขากินมาก่อนั่นแล้วนะนเพราะว่าเขากินแล้วเขาสบายเนะขาก็เลยกินสูตรนี้ไปเรื่อยกินสูตรที่แบที่เรากินเป็นได้ค่าย่ครับกินไปจนดอกลูกนะครับจนเด็กในท้นองเขาออกมานะเพราะกัว่าเด็กแข็งแรงมากเลยเด็กแข็งแรงมากเลยออกมาสามพันสามพันกิโลถ้าเด็กแข็งแรงมากเด็กท้องแม่ไม่โตนะท้องเล็ก ปวดเลก็หมอเขบอกก็ลุกหน่อยก็ลุกหน่อยเนื้อรมไข่ธาตุเหล็กเขาก็ไม่กินนะเขาก็เชื่อผมเขาไม่กินเลยผมบอกเชื่อพระเจ้าสิเชื่อพลังชีวิตถ้าคุณจะเป็นชาวพุทธแท้ก็เชื่อพลังชีวิตถ้าคุณสบายมีพลังดีนะเด็กจะดีด้วยผมก็บอกเขาถ้าคุณมีพลังชีวิตเด็กจะมีพลังชีวิตด้วยเขาก็เลยเลือกเอาพลังชีวิตพิสูจน์ดูว่าเป็นยังไงเขาก็พิสูจน์ไปแล้วพิสูจน์ไปน้ําหนักเขาไม่ค่อยขึ้นแหลายบ้าน้าหนักไม่ค่อยขึ้นท้องก็ไม่ค่อยโตเลาหมออนามัยก็ตกใจนะโอ้ยอย มันจะต่มโอเคนะมันจะแย่มันจะอะไรนะเพราะคนว่าพอออกล่ง ม, มาสามพันกรมากิโ ล, ม า, ล <c oughs> มาได้ไงไ่รู้ออกมาได้ไง ป้าตกมาให้ปลาตกําไหนแต่แล้วเด็กเขาทาไมการเร็วมากเลนะครับเด็กก็ไม่ยอมกินเนื้อเลยไม่ยอมกินเนื้อนมไขเลยนะพอให้ก็ไม่ยอมกินแล้วเด็กก็กินแต่นมแม่แล้วก็กินแต่พันธุพันธพืชอย่เี้ะนะครับกินแต่พืชเด็กชอบกินแกงจืดมากเลยนะชื่อว่าดินดอกคุณธพอทันตั้งว่าดินดอกพุทพ่ท่านตั้งว่าดินดอกพุท ตั้งชื่อให้เด็กแข็งแรงข้าราการดีมากอสองสามปีเนี่ยโอ้ใช้ไปเอาที่ทำ น, นี่อะไรทำมล่ะสบายมากเลยปีครึ่งปีึ่งใช้ไปเอานั่นเอาที่ใช้ทำเวลาทําหมดเลยนะแต่อะไรไม่ดีไม่ทําแต่อะไรไม่ดีไม่ทำํำถ้าใช้ไปนทาสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําเออหอเด็กมันมีปุ๋มมันมีปุ๋มมันเกิเกิด เด็ ก, ก็มีบุนได้กินอาหารสุขภาพเต็เด็มแล้เด็กชาโวโซมีพองด้กลังเรากินเกมนั้นเป็นเด็กเทียบแล้วเราพัฒนาการดีพวกเนี้ย า, านวิดีโอาฐานอะไรเป็นหมดลนะนั่นเองครับถ้าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวิตามินอาหารเสริมอะไรต่างเรื่องเรื่องธาดเหล็ก่านอะไรพวกไปกินบำรุงเราถ้าเราสมรุนดีไม่ต้องทำงานสร้างกายมันจะมจันจะสร้างประโนของมันเอง ตุ้คองตปวเอได้องนะครับวิตามินแร่ธาตุและอาหารเสริมที่สกัดเป็นน้ําเป็นผงหรือเป็นเม็ดนะครับยกเว้นมีข้อบ่งชี้ชัดว่าขาดสารดังกล่าวนะอันเนี้โอ้วิตามินอาหารเสริมตอนนี้มันร้อนมากนะครับไม่มีความจําเป็นต้องกินนะผมเลยบอกว่าอาหารเสริมที่ดีที่สุดทำลำปิ้งขวดไม่ต้องไปซื้อเข้าหรอกนะมันเปลือกเปลือกแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรนะคนไข้ผมหลายคนทานกัแล้วเพราะวิตามินอาหารเสริมเนี่ยทานมันเยอะเลยนะ ก็คนไข้คนหนึ่งก็เป็นมะเร็งเป็นครูอายุประมาณห้าสิบปีเป็นมะเร็งตับและสุดท้ายรักษาก็ได้ปีหนึ่งแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกมันพอลงไปเอกเลกสลสตาแล้วมะเร็งตับฟอลงพอมะเร็งตับฟอลงหมอก็าบอกว่าคุณเป็นมะเร็ง น, นี้ต้องกินวิตามินฉีดวิตามินนะต้องกินน้ำลงไข่นะอะไรเงี้ย เราตงกินใหา่น้อยก็กินปาหน่อยเขาก็บอกนะกินขกินปาหน่อยเราก็เลยกินทั้งเราตอทั้งไข่ทั้งปลาถ้าเ็้าไปปุไม่ ก, กี่วันอาการไมกก่ดีเดือนกจะตาย มันเร็วจริงๆเลยนะอีคนนึงเขเป็นมะเร็งที่ลิ้นแต่มลาลาคานี่นี่นะตอนมากินอะไรแทบไม่ได้เลยนะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นได้ประมาณสามเดือนแข็งแรงขึ้นกินข้าวกินน้ําอะไรได้กลับไปบ้านยากิก็บอกกินแบบนี้ขาดอาหารตายเลย<ม>ก็เลยเอาเอาอาหารเสริมมาให้กินกินเข้าไปวันเดียวนะแป๊บเดียวออกอาการไม่ถึงเดือตายมันเร็วมากเลยนะผมเมห็นแกที่อ่อนที่แก่เลยกับเรื่องของวิตามินอาหารเสริมเนี่ยะ อีกคนใกล้อีกคนนึงก็อายุ70ปีเป็นบริษัทระยยสุดท้ายปวดจุกเสีดแน่นทรมานมากเลยมาเข้าค่ายทำได้5วันนะอาการปวดหายไปปิดชิงเลยนะครับอ า, า, า, า, าการทรมาณจุกเ g ีย่แน่นหายไปปิดแค่รัฐบาลบอกว่าไม่เกิน1เดือนตายนะครับตอนวันที่มา พอกว่าแกอยู่ได้ปีกว่าแต่ว่าเครื่องเดือนที่2แต่ร่าการดีขึ้นเดือนที่2อนี่จะไปหาห ม, มอแบบปัจจุบันอยากหายเร็เมื่อไหร่กินนิจจมินกับฉี่นิจจมินออกการปวดมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ต้องมาถอนพิษบังเอินว่าแกกลับมาถอนพิษพันถอนพิษพันแกก็รอดตายก็าตายก็ไปนู่นแล้วนะไปได้ปีกว่าไปได้ปีกว่าแก้วดไม่ไ ด, ได้ก็ไปกินแมงค่า วัดไปไกินแมงค้าไม่ได้ไอบอกแมงข่าแมงกวาแมงกวา ง, วางที่เข้าไปชนกันะนะร่วงร่วงก็แบบกวาเป็นกวานะ่นชนกันนะเนาะีเา่เปนเขาอะชนกันอันแหละแมลงปีกแข็งน่มัน้อนมากที่เราไปกินแมงกวางข้านะวนะจุกเสียนแน่ไม่กี่วันตายปวดไม่กี่วันตายเลยูลกหลานบอกว่าไอเกงก็สบายดีดนะถ้าเกไม่กินเกงก็ไป่ตายหรอกแต่ก็อดฝันไม่ได้เนีาา่ยคนแคแมลงอย่าไปยุ่งดนถะ่านนะพวกแมงกวานหรือแมลงปีกแข็งอะไร จริงจริมะเร็งอย่าไปกินเนื้อสัตเลยนะตายเร็วน่ะแต่ถ้าคุณอดไม่ได้นะคุณกินเน้อปลาเนื้อสัตวัต่างๆแต่กล้ามมากกาจะทำใหเป็นตาย คนไข้อยู่ในมผมนะแต่ถ้าคุณกินเนื้อาเป็นเดียวกะตายใช่งเจ็ดสิบปอร์เซ็ตยก็ถา้าหัาวได้กินมันดีกว่าคนระกินเจอร่อยสลับกับเจล้านพิี่ดีกว่ากินมันอร่อยมันางพิซี่สลัดกับกันมันดีกว่าคือไปกินเนื้อตัดเลยนะคนไข้โรคกระดูอแ่างคุณกนะ็ไปกินมักินมันกันคุณมันไม่ตายทันทีนะอย่างมากมันแค่ทรามานท่านั้นเเนี่ยสาคัญนะพิธีบินอาหารเสริมีป ย, ยุมันมากนะครับยกเว้นมีข้อบ่งชี้ชัดว่าขาด แต่และคุณกินเข้าไปแล้วคุณรู้สึกมีพลังชีวิตอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้ามีข้อบ่งชีช้ฉันก็ขาดกินเข้าไปแล้วไม่มีพลังชีวิตนะคุณอย่า ก, กินนะมันเป็นการขาดจากเกิน มันไม่ได้ขาดแท้มันเป็นขาดล่วงขาดเกินเช่นถ้าร่างกายเราร้อนมากๆมันจะขับวิตามินออกเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นผลิตพลังงานมากไม่ได้ขับวิตามินออกพอส่วนเราจะพบว่าวิตามินเกินหมอที่ไม่รู้จะอัดวิตามินเข้าไปเพร อ, อัดวิตามินเข้าไปปุ๊บร่างกายจะทํางานอย่างมากเลยทํางานอย่างมากก็พิดร้อนขึ้นมากคุณมีแต่อาการแย่มากกว่านะครับจริงๆวิธีการแก้ก็คือถอนริดร้อนออกพอพิดร้อนออกร่างกายก็จะเก็บวิตามินพอเกวิตามินวิตามินก็ไม่ขาด แต่ถ้าคนไม่ได้แก้ด้วยต้นเหตุเนี่นยมันจะไม่หายนะแต่หลาหลายครั้งเขาแก้ไม่เป็นเขาไม่รู้มันไม่ใช่เพาเจอว่าขาดทุก็ใส่เข้าไปนะไม่ใช่มันต้องรู้รู้แต่ว่าขาดจากอะไรมีเหตุร่วกันขาดไหมแล้วไปแก้ที่เหตุทํารับมัรู้จะจบที่ เครื่องเดิมที่มีแอลกอฮอล์นะครับเป็นอินหรือน้าตาลที่มากเกินไปนะครับพวนี้ก็จะร้อนนะเช่นเหล้าเบียร์วน์ชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องอืนะ่มชูกําลังนะครับพวกเหล้าเบียร์วน์มันร้อนมากอยู่แล้วครับเหล้าเบียร์วนยมันเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครั บ, DIY, นะรบที่กินเข้าไปร่างกายพวกนี้มันไม่มีวิตามินมันจะไปจับวิตามินในร่างกายของเรานี่แหละนะครับมาเผาผ่านเป็นคอมนอนหนึ่เราจะเสียวิตามินสองคอมนอนที่มากเกินจะเผาเสีย เราให้ทังหมดนะเหล้าเบียรวว์ายเซลฟู้ดแล้วคุณทังหมดเลยนะครับขาวิตามินด้วยแล้วคุณก็จะทังด้วยอนะันนี้ชากาแฟน้ามันลมเรื่องถึงช่วงกำลังมาเอากาแฟกันนะชะกาแฟนเนี่ยมันร้อนมากร้อนมากแค่ น, นี้ที่ว่าผมไม่ไปวิยากรของผมพูสอง เรื่กงเรียกร้อ้าวกันและปราบปรามยาเสติดนะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นผย้ใหญ่คนของนะครับก็จะต้องไปประชุมเรื่องเนี้นะครับตอนแรบผมก็ต้องไปประชุมกับกรมตำรวจงานของตํารวจเี่ยทันในประชุมที่คุนกันนะทันทันหัวหน้าพิษฐานของกรมตารวจเขานะครับเอาข้อมูลมาให้ว่ามีการทดลองเก็บข้อมูลนะครับว่ากาแฟในปริมาณที่เข้มข้นมีฤทธิ์เข้ากันกับยามาก ฟังดูให้ดีๆนะกาแฟในปริมาณที่เข้มข้นมีฤทธิ์เท่ากันกับยาบ้า แต่นั้นคุณกินกาแฟสะสมเข้าสะสมเข้าสะสมเข้าเข้ากับการกินยาบ้ามิตรทำลายยาบ้าทำลายสมองทำลายหัวใจทลายตับไปนะครับทาลายเซลทั้งหมดเลยนะยาบ้าเลยทลายเซอย่างมากเลยกาแฟเองก็เช่นเดียวกันมันร้ายมากเลยคนไม่เคยกินกินก็ไปใจสั่นเลนะมันทาลายหัวใจแลระบบระประสาทนะครับแล้วก็มีการวิจัยว่ามันขัดแคเซีอมออกจะทาให้กระดูกปุกนะครับกาแฟจะทให้กระดูกปุกใครอยากกระดูกปุกกินกาแฟไปมากๆนะไมได้ปุกนะต้องขอบคุณ คนกระสุนสารสูบอย่างมากเลยตอนนี้กระสวนสารสุบฟันท้นเรียบร้อยแล้วว่ากาแฟเป็นต้นเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ความดันโลหิตขึ้นแล้วตุกความดาันโลหิตขึ้นหนึ่งมิลลิเมตรคือความเสื่อมของสมองระบบประสาทและหลอดเลือดอันนี้แหละทุกหยดของกาแฟสมองคุณเสื่อมระบบประสาทเสื่อมหลอดเลือดเสื่อมไม่จำเป็นจะไปกินกาแฟทํามันร้ายมากมันเผามันร้า ย, า ก, ายกาแฟมันไม่ได้มีอะไรเข้าไปปุ๊บุกกระสุนในร่างกาย ลพลังงานอย่างมากมายเลยนะพลังงานที่มากมายที่มันผลิตนั่นแหละก็เผาเราเทานั้นเองเป็นพลังงานงเป็นเชกอนความพอดีมันจะเผาตัวเองคุณจะเสียทั้งวิตามินคุณจะเสียทัเซลล์เพราะความร้จะเผาให้เสียทุกส่วนเสียไม่หมดเลยครับเลือด ก, กาแฟได้ดีที่สุดนะครับเลือดไม่ได้ก็ลดเอาครับชาก็เหมือนกันไอชาเขียวชาขาวชาดําชาแด ขุ่นชาจีนชากกองนีนะครับพร้อนนั่นแหละชานี่เป็นคาเฟอีนเยอะนะครับชานี่ ม, นมันมีคาเฟอีนเยอะเขตที่เมืองหนาวเขากินเพราะว่าเขากินนิดหน่อยเพื่อให้มันอุน่นเขาต้องกินชาบ้างให้มันอุ่นแล้วก็จะแข็งแรงเพราะเขาเป็นเมืองหนาว พอเขากินอุ่นแข็งแรงเขาก็บอกว่ามันดีคนไทยก็ตัดเป็นขวดเลยเพื่อเพือเพื่อทำกระเพาหมูเราทายก็ดีเนี่ยเรียรู้เรือนรู้ราแล้วลอกกันบ้านไม่ดูเลยลอกไปกระัทงชื่อของคนลอกกันบ้านลอกไปกระแทงชื่อของคนที่เราลอกอาจารย์จะได้ไม่ลอกเังไม่ได้ตุลาการตอนเรียนไหลอกกันเลแต่เราลอกกันบ้าน น ะ, ะกินชานเป็ น, นชานไทยก็ได้ชาใบาเตยกไดชาใบหมอนอลไรพวกเราเนี่ก็ได้ชาใบหม่อนเป็นรสหนักรสไม่กินแล้วสบายตัวก็กินไม่สบายตัวก็เลิกแต่ชาชาใบเตยชาไทยหล อ, อย่างกินได้น้ำมะลุ่มนะครับน้ำมะลุมก็มีคาเฟอีนนี่แหละมีกาแฟนี่แหละปนอยู่ในนั้นเขาใส่ไปด้วยเปนติก น, นะครับ็ถ้าบอกคุณกินกาแฟนแี่แหละที่น้ำมะลุ่มอ่ะแต่มันโคตรกอนอยนะตรงที่ว่านอกจากมันจะมีคาเฟอีนแล้วเนี่ย มันมีสีที่จะทำลายตัดแล้วก็ไตแล้วเขาใส่แก๊สเข้าไปนะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วมันจะมีกดที่ฆ่าความเข้มข้นของ P H อยู่ที่สาม ค่าความเข้มข้นผมกดเกือบจะรุนแรงนะครับหนึ่งนิ้วนั้นที่สุดนะครับสองลองลงมาคุณคิดดูนะมันอยู่ที่สามนะค่าความเข้มข้น ร, รุนแรงมากนะครับอยู่ที่สามเลย น, นะครับน่ากลัวนะครับ น, นี้น้ำมะลงเนี่ยมันเป็นกราดอยู่ที่เจ็ดนวลมันเกือบจะไปมาตรงเดี๋ยวไปรุนแรงแล้วนะครับที่ให้จุดที่สามแล้วน้ําตาลมันเกินนะในน้ำมะลงขวดเดียวในน้ําตาลก็อย่างน้อยก็หกแปดเท่ากั เกินกว่ากระทุนเขาสุดกำหนดกระทรนเขาสุดกำหนดที่ห้าทนขาไม่เกินเนี้น้ำมันลมอเไยก็เกินกินเข้าไปมันจะร้อนจะเผาไหม้กระจายเสถียรหมดนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเขาก็ใส่กาแฟกับน้ําตาลลงไปในปริมาณที่มากคุณก็กินในกาแฟกับน้ำตาลเนี่ยเป็นเครื่องดื่มชูกําลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างนะครับไอพวกเนี้ย เกลบโด้วยน้ำน้ำตาลที่มากเกินแล้วก็กาแฟครับเมื่อกินเข้าไปก็มันก็มี น, นิดนึกาแฟมันเา้า เอาฐานได้เกิดพลังงานที่มากเกินพอดีแล้วเผาเราแล้วเราก็เกลี่ยพิินเซลเสี่ยงนะครับพยายามลดละนะครับอย่าไปกินมากเกินไปหรือใครไม่กินได้เลยก็ยิง่งดีนะอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับโซเดียมสูงโซเดียมคือพวกเกลือต่างๆนะก็ได้แก่พวกนี้ก็จะเป็นพินะครับอาหารแปรรูปหรือทำเป็ดรูปต่างๆนะครับเช่นบะหมี่ขึ้นทำเป็ดรูปนะครับ มันมีคือสัตเลี้ยงลูกนะครับมันมีซองมันมีกล่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมาม่ายำๆวายๆยี่ห้อไหนมันก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้แล้วต่นี้มันมีเยอะนะหลายยี่ห้อพวกนี้นะครับมีพิษอย่างน้อยสามอย่างเขารวมทิษสามอย่างเข้าด้วยกันนะเป็นมหาพิษไอ้บะมี่ซองนี่แม้กำลังพูดไม่พอก็สุดร้าย ก็อบจะพูดคำว่าโคตรออกมาแล้วแล้วเขาแล้วก็หาว่าไม่สุภาพสุดร้ายก็แล้วกันไม่พูดโคตรร้ายก็ได้น่าน่าใจจริงก็เลยก็จะหลุดปากออกมาอไม่พูดก็ได้โคดร้ายไม่พูดก็ได้พูดแล้วล่ะขอหายกอไม่พูดก็ได้นั่นนะครับมันมีของเยอะๆเยอะ สองมันใช้น้ำมันทอดซ้ำสามนะครับผันไม่มีวิตามินเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในร่างกายพวกนี่ ม, มันจะร้อนมากนะมันไม่มีวิตามินมันจะไปฉับวิตามินมาเผาผลาญแล้วด้วยน้ามันทอดซ้ำกับไปของเยอะที่เย อ, อะหลนะครับจะว่ามันจะมีคูณแล้นะครับพวกนี้ทําลายภูมิคุ้มกันอย่างไรเบอร์มิตซองนี่ผมชัดมากๆเลยยกตัวอย่างสองสามประเด็นมีเด็กคนหนึ่งนะกินบอรมิตรซองมากๆมากอตั้งี่ประมาณสิบสองปี พ่อแม่เป็นคนรวยไม่มีเวลาดูแลลูกนะครับเอาเงินให้ไปซื้อบันมี่ซองมากินประจำประจำเสพติดเชื่อที่สมองเข้า ICU ตายเลยนะครับกู้ไม่ได้แล้เพราะภูมิปัญานมันลดมาก อ่ก็จำันรถหมากมันร้อนมากมันเผาไม่ไะคาหมวแสงเลยนะครับแย่เลยตายคาย c ซเลยครับแล้วก็ yeah. ที่เที่ยวสีก็้อบทปั้นให้ดูอะ้ี่ฉายให้ดูเะชอบกินบะหมี่ซองกับขนมกลุ่กล่องนังง mm hmm. น่นแหละีจอบทำปั้นนั่นแหละนะครับ ม, มันจะพูกวาฐานรถรถฝีจะขึ้นง่าย น, นะครับพอเขารักษาหายนะ เขาก็อยากกินอีกเขาก็กินอีกฟิวขึ้นขึ้นอีกเวลางพิษมันก็หายกินก อ, อีกฟิวขึ้นขึ้นอีกอแล้วตอนเล่าให้ฟังนะตอนที่เขาร่างกายสะอาดแล้วกินเข้าไปเขาก็รู้สึกเขาบอกมันเหมือนเข็มร้อยดอกวิ่งไปจิ้มดีมวัลลูกอ่ะวิ่งไปโอ้ดิมวลูกเขอบอกโอ้โหเจ็บปวดทรมานโอ้เพิ่งจรู้ตัวก็คือเวลาราล้างพิษนี่ร่างกายสะอาดขึ้น พอสะาดขึ้นปุกบเนี่ย ม, มันจะรับรู้ไงว่าพิดมันรีบไปตรงไหนเนี่ยแล้แรงแค่ไหนมันจะรู้แต่คนโรคภัยเนีมันชาชาด้วยอาหารเป็นพิษสารพัดนะพอสารมันมันงงหมดก็เลยไม่รู้เรื่องจะไปรู้อีกทีว่คิดทะลุความชาหรือไงงไปรู้อีกทีมันก็เลยปวดนเหมือนคนกินเหล้าอ่ะมันไม่รู้เรื่องหลับจะไปรู้อีกทีก็สา่เหล้าหรือไม่ก็พิดแรงเกินจนคนเมาเหล้ารู้จุดตัวได้ น่าอันนี้พอเขาเลิกกินอาหารรสจัดระบกสาษาคนพื้นนะเขากินเนี่ยบหมีซองเข้าไปเขาบอกโอ้มันิ้มเข้าไปที่มัดลูกร้ายนะมันมีร้ายมากที่ผมไปที่มัศวานนะไม่หาอะไรกินไม่ได้ก็กินบะหมี่กินมาม่ายำนี่แหละนะกินไปสามวันนะนนะเร่มิตทรบานเกิดเลยพูก็พูดนะเออไม่เคยเปเริ่มจิตทรบานในชีวิตนะกินไปสามวัน ถามมันกินไปแล้วแนมันเหมือนมีอะไรวิ่งมามันเหมือนมีอะไรสักอย่างร้อนร้อนเผาเผา้งวันที่สองก็คเป็นมากขึ้นวันที่สามแอเรู้สึกว่าแที่ตายธรรมานขงเราแอดทำไมวะตายธรรมทนของเรามันร้อนๆแล้วก็มันเจ็บๆแล้วมันเหมือมีปุมขึ้นมาเป็นปุ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมังเนงี้นะเลยหยู่กินแล้วมันเขียวเอาเอาที่เรืนองยานทานะ มันก็ย um ุบไปนะยุบไปแต่เรากินอาหารร้านพิซ่ไปแล้วมันก็หายหายเสร็จกลองกินใหม่ลองกินใหม่อีกสามวันเป็นอีกเมื่อก่าหมดสงสัยเลยว่ามันร้ายจริงหมดสงสัยเลยโอ้ทำไมมันด้ายจริงเราสองคนโอ้ร้าิงเลยนะบะมีซองนี่ร้ายมากชัดมากเลยนะแล้วคนที่ชอบกินยั่งนะคนทวันนี้กินยั่งเลยบะมีซองนี่ยังเป็นว่าเล่นเลยนะนี่เราจะเยอะนะครับที่จะเยอะ ขนมอมนะครับขนมกรุบกรอบนะครับขนมอมขนมกรุบกรอกมีขนมอมก็น้ำตามมันเยอะสีมันทำลายตับแล้วก็ไตนะครับส่วนขนมกรุบกรอบนี่นะครับมันก็จะมีผงชูรสเยอะนะครับแล้วมันใช้ผงของข้าวสาลีเป็นส่วนใหญ่นะครับมันร้อนแป้งสาลีมันจะร้อนนะครับแล้วมันใช้วิธีการะกนะมันจะร้อนมากนะครับขนมกรุบกรอกมันจะร้อนมากเลยเป็นพิษนะครับทำลายร่างกายทำลายสมองขนมปังมันก็มีไขมันเยอะมีโซเดียมเยอะนะอาหารกระป๋องไส้กรอก มยมปลาเนะครับตาเค็มเนื้อเค็มนะครับพวกนี้ร้อนมากนะ ร, ร้อนมากของหมักดองนะครับอาหารทะเลนะครับพวกนี้จะร้อนมากอาหารทะเลเนี่ยจะมีทั้งไขมันแล้วก็โซเดียมสูงนะครับมันจะร้อนมากนะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มันมีฟอร์มาลีนนนอาหารทะเลใครอยากกินยาดองศกนะซ้อมการเป็นศกได้เวลาเป็นสก <c oughs> จะได้ไมต้องขียาไงขี่อาหารทะเลเลยอะ <c oughs> ัะใครอยากเป็นศพองขี่ยานนะกินกินอาหารทะเลเลยอะพ่าใส่อเบลิไว้เยอะเดี๋<ม>ยวได้ไปต้องฉีดยากันบวมไงนะเดีตาใช่หมแต่เรื่องต้อนมีเยอะนะครับเป็นถามชาวเลได้นะส่วนใหญ่เกิดเพราะเป็นใส่คอเบลิยาดำศนั่นเลยอันตรายนะครับอาหารทะเลอยา่าพยายามไปยุ่งมากรอใจมากที่สวกน้ำหมักเข้าหมานะครับของหมักดำเพอนนิดนะครับมร้อนหมดนะครับน้ำหมักเข้ามาของหมักดำนนิดจะร้อน พอเวลาหมักแล้วเจลาติมันเข้าไปกินเรื่อยสลายน้ำมันจะกลายเป็นความร้อนขึ้นขตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายน้ำร้อนจัดน้ำเย็นจัดแล้วน้ำแข็งนะครับตรงมันจะร้อน น้ำร้อนจัดเนี่ยมันก็ร uh, ้อนอยู่แล so ้วนะถ้าใครกินน้ <car <car LIKE ําร้อนจัดเราเรู้สึกหรือน้ำต้มล้วรู้สึกปากคอแห้งนะครับแปลว่าไม่ถูกกับเรานะครับแต่แล้วบางคนที่ร้อนดีกับเย็นเนี่ยกินได้นะกินแล้วชุ่มคอกินแล้วก็สบายก็กินได้แต่ถ้าใครกินแล้วรู้สึกมันปากคอแห้งผาดควาหรือว่ากินแล้วกําลังมันตกนั่แปลว่าไม่ถูกกับเราจะไม่ถูกนะครับอ่าน้ําเย็นจัดนะครับน้ําเย็นจัดเนี่มันก็เลือดแข็งนี่นะ เวลากินเข้าไปมันจะมันจะมันติตีกับเป็นร้อนนะเย็นได้ส่วจะตีกับเป็นร้อนก็คือว่าร่างกายคนนี่ร้อนน้ำเย็นกับเย็นมากพลังงานจะเคลื่อนสวนทานกันอย่างเร็วแล้วจะเปลียนสีระเบิดเนื้อเยอเรานะครับคล้ายๆกับไฟไหม้หม้อกระทะไฟไหม้หม้อเสร็จแล้วเทน้ําใส่โอ้มันจะเป็นยังไงโอเลยใช่ไหมมันก็พังไปหมดเลยเพราะความร้อนความเย็นมันจะเคลื่อนส่วนทานอย่างเร็วแรมันจะพังไปหมดเลยคนก็เหมือนกันพังไปหมดแล้วแหละเย็นจัด กับร้อนเนี่ยใส่็นทุกบมันจะพังออก็เรมามัองระวังถ้าเราต้องการถ้าเราจาเป็นต้องกินกกน้ําเย็นนะนา้าเราตู้เย็นหรือตั้งแข็งเนี่ยมีวิธีการกิ น, กนที่ปลอดภัยก็คือยินเข้าไปนะเราก็อมไวอยา่าเพิ่งกินนะอมไม่ได้ปากจนกว่ามันจะหายเย็นแล้วค่อยกลือนนะ ง, ง่ายจะปลอดภัยครับางคนบอกว่ากินทำไมกินน้ําปล่าซะเลยไม่ไดีไ ง, ไงเอาบางคั้นก็ใส่ตั้งแข็งมาแล้วทําไงใส่ตู้เย็นมาแล้ว ามมาเราทำอะต้องกินเหใช่ไมเากินให้มันเป็นกันเรก็อมบะกินให้่อยไปเก็ผมบะอมจนหายเย็นแล้วราตืมจะมาหายเย็นแล้วเราตื่อันนี้นะครัาเราสดภันะครับต้องกินน้ำเย็นนะกินให้มันเป็น ไม่งั้นเลยยอดทางหมดแล้วยัดน้ำแค่เย็ น, นครับน้ำแค่เย็นื็อัหละมันกันแหละอมทั้นั้นก่อนถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะหรือวางไว้ให้มันรูดฟูปกติก่อนลงเทงไว้ก่อนอ่านั้นน้ำน้แค่ตูเย็นนะเทเคไว้ให้มันรูดฟูกปกติ ก, ก่อนแล้วค่ว อ, อยนนะ ก, ก, ก, ก, ก, อกิดไม่งั้นกนแไม่สบายสุณชา้วยไม่สบายนะ กินได้กรณีเดียวที่คนที่เขากินมันมีบ้างบางคนบางคราวที่หากินในที่แค่เย็นหรือว่าน้ำแข็มันรู้สึกสบายมีไหมนะบางคนบางคราวอันนั้นอ่ะมันเป็นยาล้างปกษะแล้วมากินประจานะะแค่ดีถ้ามันการพฤติธรรมในกาบ่อยนะมันมีบางคนบางคราวถ้าจกินประจํำมันไม่ใช่ดีหรือไม่ใช่ดีมันจะกระแทกใช่ในเรื่องปองปกติดีที่สุด ยกเว้นบางครั้งบางคราวที่มีความรู้สึกว่าถ้าแช่ยอย่างนั้นเรามันอสบายขึ้นเร็วรู้สึกสบาันจะมีบางคราวอยแต่ในเบื้องต้นให้เราฝึกกินนูดปกติก่อนเป็นการนันมันจะชินชากับกับกับตอนั้นบางทันแย่มัอองเหมือนกันในเบื้องต้นให้ฝึกมาทำความปกติก่อนถ้าฝุดทำความเบรฟิลลถ้าเราไปกินอย่างนั้นมันจะแบ็กระุ่งนั่นแหละเป็นร่ยกเว้นบางคราวที่ว่าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยกินได้จะมีกินได้สบาย แต่น้อยร้านที่ได้ประสาทปืนก่อนมันจะแย่คุกแย่กินได้โอเคฮนระอันนี้ก็คงคำวัดท้ายเลยนะี่นะคำวัดเรื่องของนี่คือเรื่องของอาหารที่มันร้อนมากๆนะที่คนติดเนี่ยครับคำวัดท้ายจริก็คือว่าการปรับสมดุลนี่มันเป็นแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าร้อนไปกินไม่ได้ข่ารวมของคนยุคนี้นะครับข่ารวมของคนยุคนี้เนี่ย จะทำไอ้ตัวร้อนซะมากกว่าได้กินอาหารที่มีตร้อนมากกว่าาลดจัดมากอะไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนมีปฏิพาณจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่กินอาหารที่มีตัวร้อนที่าร์โบรีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาเข้าค่ายหรือการล้างพิษครั้งแรกเนี่ยอ่าส่วนใหญ่ผมไปใช้หรือเราไปใช้ที่บ้านก็แล้วแต่นะครับให้ใช้อาหารริดเย็นนี่แหละเป็นหลักก่อนให้ใช้อาหารริดเย็นเป็นหลักก่อนล้างพิษร้อนที่เขามีมา้วก่อนพอใช้อาหารรีดเย็นเป็นหลักเนี่ย เขาจะรู้สึกสดชื่นสบายไม่จะถอนพิษอะไรออกได้เร็วนะครับหรือว่ามันจะถอนพิษเร็วแต่ถ้ามันมีอาการคิดสั้นครพิษเราก็ถอนพิษอย่างที่ว่านะครับถอนพิษอะไรไปแต่เ้าจะพื้นเร็วถอนให้ฟื้นเร็วล่างกายจนสดชื่นเบาสบายเร็วนะครับพอเบาสบายเบากายมีกาลังนะสดชื่นปุ๊งเนี่ยเราก็กินส่วนเย็นแัแหละส่วที่สบายไปเรื่อยนะครับส่วนร่างพิไปเรื่อย กินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนานเท่านั้นเข้ามันจะเกิดอาการกำลังตกและไม่สบายขึ้นนะมันเย็นเกินนานเท่านั้นเข้ามันจะเย็นเกินนะครับมันจะเกิดอาการกำลังตกและไม่สบายนะมันไม่สบายด้วยอาการเย็นเกินอะไรนะอาการเย็นเกินมันก็จะเป็นท้องอืดหัวตื่อมือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นมึนชาตามร่างกายตรงนี้นะถ้าเกิดอาการพวกนี้ขึ้นให้เราใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปให้สาตร์สมุนนะครับใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน เขาไปในปริมาณที่เรารู้สึกมีพลังชีวิตที่สุดนะครับเราก็ใส่สิ่ที่มีในตัร้อนเข้าไปเราใส่สิ่งที่มีนะก็ร้อนเข้าไปแล้วกินเนี่ยมันจะรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็มีกําลังขึ้นนะครับไม่ได้รู้สึกสบายแล้วก็มีกําลังตอนให้เรากินในตัวที่ใส่ในตัร้อนเข้าไปนี่แหละเขาเรียกว่าอาหารสุดนั้นเขาเรียกว่าสุดปรับสมดุล น, นครับสุดที่เรากินอยู่ในข่ายเขาเรียกว่าสุด ร, รางผึ่กร้อนนะสุด ร, ร้างผึ่กร้อนพอกินไปนานข่าวัานข้าวมันจะเย็นเกิด เย็นเกินปุ๊มให้เราคินสูตรปตรับปิมาณเินใส่ของร้อนเข้าไปเจะกินตวซลิซองมั่งกินข้าวทองแก้มั่งกินชีวตเตาเกียวมั่งกินให้มั่งแจงขึ้นนะใส่ซี่งิ้งขาตะไคร้กระเพรากระเพราใส่ของร้อนทั้งหลายถ้าคุณก็ใส่เข้าไปอะไรก็แล้วแต่น้ำมันเลน้ำมุกน้ามันน้ำมุกไม้ใส่แต่มันมกไมตใส่่น้ามันเข้าะใส่ของร้อนเข้าไปใส่ของร้อนเข้าไปพอใส่ของร้อนเข้าไปปุ๊บนะในปริมาณที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุด การว่ให้เรากินสูตรที่เรารู้สึกสบายแล้วมีพลังที่ส่นั่นแหละไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆเๆนานเข้านานเข้ามันจะเกิดภาวะ้อนเกิดขาด้อนไปเรื่อยๆ มันจะเริ่มต้นด้วยกำลังตกนะครับเย็นเกินก็เริ่มต้นด้วยกำลังตกแล้วตามด้วยอาการไม่สบายร้อนเกินก็เริ่มต้นด้วยกำลังตกนะครับกำลังมันจะเริ่มล้ากำลังจะเริ่มตกแล้วตามมาด้วยอาการไม่สบายนะครับด้วยภาวะร้อนเกินสารพัดอาการที่คุณหมอหนาว่าไปเห็นปวดบวมแดงร้อนผืนคันตึงแสมยหูสาตาอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้ตึงแข็งต่งต่างพวกนี้นะครับมันก็จะตามมาแล้วแต่จะเป็นอาการไหนนะถ้าเกิดอาการอย่างนี้ก็ปุ๊บเปลวคิมสวดรรางทิดร่างทิศร้อน อมันเย็นเกินไปเราต้กินส่วนปรับของดุนอมันร้อนเกินไปเราต้องกินส่วนรังคินน้อนทํากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละทากลับไปกลับมาเรื่อยๆครับซึ่งความร้อนที่เราใส่เข้าไปส่วนใหญ่มันมักจะไม่เกินสามสิบเปอร์เนของที่เคยใส่หรือเฉลี่ยประมาณสามสิบเปซนของที่เคยใส่อาจจะมากหรือน้อยก็นั้นมันกระดับทำกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับทำกลับไปกลับมาอยงนี้ยเรื่อยๆ จนกว่าเราจะอยากกินของอร่อยมากๆคืออดไม่ได้เลยนะี่นะนั่งเข้านะั่งเข้าแล้วมันอยากกินของอร่อยมากๆที่ไม่ใช่สูตร ล, ล้างพิษและไม่ใช่สูตรฟังกลุนเฮ้อยากมากๆถึงขัานเครียดมากเลยน่นะมันใช้กระหยาบมากแล้วเครียดมากแล้วนะเราอดไม่ได้แล้วลําบากมากแล้วคนได้ยากทนได้ลําบากแลวาวก็ไปกินของอร่อยนะขอที่มีพิษ น, นะเขาก็ไปกินของมีพิษไปกินของอร่อยมากพอไปกินของมีพิษมันจะตีนฟันมันจะเรื่อนออกอาการไม่สบายนะงงๆงงงไงเราก็มาล้างพิษ <l ain> ล้างพิษมันเย็นเกินเราก็กินส่วสนผสมดนกินกลับไปกลับมากลับไปกับม า, บ, มาบางคนก็ได้อยากกินของอร่อยเราก็กินของอร่อย ม, มันเกินไม่สบายขึ้นก็มาร้างพิษแกบ็บัตตอมดน <t> ทำเรื่องนี้แหละคุณก็แข็งแรงแทำแค่นี้ทำกลับไปกลับมามีชีวิตตัวแข็งแรงหรือแม้เราไม่ได้อยากกินสิ่งที่เป็นพิษที่ใหที่ว่าแหละรเราก็กินสิ่งที่เป็นพิษบ้านไม่งั้นบ้างใารจะไม่แข็งแรง เมืม่อถึงเวลาควรอ้ า, า, าวสมมติเราแข็งเราเป็นคนร่ า, การงกายปกติหรือเราเป็นคน อ, อ่วยไม่หนักมากนะอ า, ๆๆาที่เป็นึงเราก็คับพิษบ้างบางวาันเพื่อให้ร่างกายได้ฝุด่อพิเราได้ฝุดขับพิษต้านภูมินหรือถ้าเราปวยมากากเรก็กดไม่ได้็นฝุดไม่ได้เลแหลเราต้องไปกินพิษะครับอันนั้นเราก็กินทีนึงอ <ๆ S 1> <lk> ่าเราก็เยกทนพิษต้านะครับเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราแข็งแรงแข็งแรงทำไยืนทำอยู่แนี้นะอะไหมยเพ้าว่าโอ้โหกินร้านพิษจนชีวิติ ไปตเต็นชีวิตไเมชีวิตน่นะหลายคนพอพูดอย่างนี้ค่อยคบอาจารย์ได้เนาะคบกันได้กับวันที่ห้าที่6ก <c oughs> เดืออันชั่วหน่อยนะโอ้โหว่าวันแรกทิ้งอไไะไรนะเิงครับเปกเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ เร่องอะไไม่ดูอะเบกาไม่ใช่กันตัดอีสานเ็งกาเล่เลระเานน้อาจันตรงนี้เหรอกั้ชีวิตนะังชีวิตเหรจะเป็นมิตรประจันดีไหเนี่ยจะไมิตรไหมเนี่ยถ้าเวันนี้ค่อยเป็นมิตรปราจันหน่อยเราจะกินของอร่อยได้ได้ได้แม่เรากินของอร่อยมากถ้าทำอย่างนี้นะชีวจะได้แข็งแรก็เป็นการตัดสมด นะเอาละเราคิดว่าเราอะไรมาพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เด็กมากทล้หลักนะเราจะได้พักกันอ่ ะ, ะเดินทางไปดีครับ